หนึ่งปัตตวัคศิกขาบทที่6ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายสงฆ้อที่1เรื่องภิกษุณีหลายรูป758สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นอุบาสกและอุบาสิการวบรวมบริขารที่เขาไ ด, ได้ด้วยความพอใจเพื่อฆ่าจีวรถวายภิกษุณีสงฆ์ แล้วฝากไว้ที่บ้านของคนขายผ้าคนหนึ่งแล้วเข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวดังนี้ว่าแม่เจ้าพวกเราฝากบริาขารค่าจีวรไว้ที่บ้านของคนขายผ้าชื่อโน้นท่านทั้งหลายโปรดให้ไวยาวัจกรไปนําจีวรจากบ้านนั้นมาแจากกันเถิดเจ้าค่าภิกษุณีทั้งหลายให้เอาบริขารนั้นแลกเปลี่ยนเพศัตวเองแล้วบริโภค อุบาสกและอุบาสิกาทราบเข้าจึงตำหนิประนามพลธนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีจึงให้เอาบริคารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่สงแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินพวกอุบาสกอุบาสิกาตำหนิประนามพลธนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยจึงตำหนิประนามพลธนาว่า